ทรงประชุมสง์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสง์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระอุปนันท飒าา ก, กัจยบุตรว่าอุปนันทะทราบว่าเขาไม่ได้ปราราไว้าวาก่อนแต่เธอไปกำหนดชนิดจีวรจริงหรือท่านพระอุปนันท飒าา ก, กัจยบุตรทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอุปนันทะ คนเหล่านั้นเป็นญาติของเธอหรือไม่ใช่ญาติพระอุปนันทะทูลตอบว่าคนเหล่านั้นไม่ใช่ญาติพระพุทธเจ้าค้าพระผู้มีพระภาคทรงตรมิวาโมฆะบุรุษเครหขัสผู้ไม่ใช่ญาติย่อมไม่รู้ความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมของที่มีอยู่หรือไม่มีของคนผู้ไม่ใช่ญาติโมฆะบุรุษเธอนั้นซึ่งเขาไม่ได้ประวรณาไว้ก่อนเข้าไปหาครืัดผู้ไม่ใช่ญาติแล้วกาหนดชนิดจีวร